พระธรรมเทศนาลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าได้เต่าเสียหมาทุง่งเมืองนี่ยอย่างผ้าล่าเนี่เบิ่งเบิ ง, งแล้วก็นานาปุกนาใส้ใจเผลอเผลอมันดีกวาการเห็ดหน้าอีกต่างหาก แต่ว่าเฮ็ดหน้าเนห้ากกบฏทิมบอปาร์บะเปินพิชาอาชีพมาตั้งแต่ดึกดำบันถึงจะเป็นจย่งไรก็ต้องเฮ็ดหน้าไว้ใสเขาใสมีเขา่าใสยุงใสสางไว้และก็อุ่นใจส่วนเงินนี่หามาใจนี่ก็คือเงินขายมัน่นเงินขายยางตามจริงก็ซื้อเขามาไวก้ไกันได้ขึ้นกันถ้าพอเขา้าคิดนยหยุบสมัยใหม่ในเขาว่างทันละ เขาพรต้องเฮ็ดหน้าออกไปทํางานคือมาซื้อเขามาลดพระตองเฮ็ดหน้ายากอันนี้เขาก็ว่างแผนผู้นั่นแปลว่าเขาว่างแผนดีบริหารจัดการเขาจะว่างเป็นสเต็ปสเต็ปอันนั้นมันขนาดศึกษากับเขาขึ้นกันโมเมนต์เคยเฮ็ดอย่างไรก็เฮ็ดคือเกาไปไสก็คือเกาเฮ็ดอย่างก็คือเก า, เกเกาที่ลงพอเบาพ่อปันเกาอิตาเลาไปไท่กลับมาบานหัวลานคือเกา เป็นในคนหัวล้านไปใส่มันกเกนะิดขี้เก่าเนี่ยกับมากกว่าหัวลานคือเกา่าเพราะในปั๊มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ขี้กันผกเข้าต้องเชียงไดนที่มันดีขึ้นเบิงเออโอหยางมันขึ้นได้ช่วงเนี่ยเข้าปลูกมันปลูกมันกรแมนอยู่มันก็ได้เงินอยู่แต่วกว่าน่าจะใส่หยางเพื่อให้ท้าว้อนขึ้นดินเมื่อจีจืดไปหนาได้กันใช้ใส่มันเลยสิเข้าก็ต้องเอาใส่หยางแล้วกัปลูกมัน สำหรับปีสองปีช่องสามปีจากนั้นก็ต้องอดทนสักหน่อยนะฮะรับจ้างรับใบผู้อื่นอยู่กินเนยได้หปีก็เกีกดยดยางได้หลายบาทเป็นตัวข้องตัวได้ขั้าคำว่าปลูกไร่ก็นข้ามันส่วนอย่างไร่ปลูกเครื่องเนืองก้อนเครื่องนืงกไงปลูกเนวอื่นจังสันแหละการว่างแผนชีวิตครอบครัวแต่ว่าถึงอย่างไงก็ตามลูกหลาน ต้องบอกลูกบอกหลานเอาไว้ยาไปติดยาเสพติดอย่าไปกินยาบ้ากย่างไปจีดอยางเมย์เมย์มากเลยไปหาม้วนสมกันไปซื้อยาบ้าอแบงแขงแบงขามันกินต้นไม่ไม่เอาไปไม่ม่หมาตัวนึงมันแบงแขงแบงขามันกินเอยพ่อต่อเม้าออกไปมากกินมันบอลกินมดโตบันตัวนึงยังพ่อสองตัวตัวนึงมันเท่าไรบ้าราคาทั้งหลายหน่อย เหตุงานมือหนึ่งเท่าไหร่มันต้องบวกลบคูณหารบังมัดบริหารจัดการขันว่าเฮาเหตุจึงทันอะอนาคตของเฮานี่ยเสียหายเอ่อเสียหายอย่างมากเอ่อเสียพอเสียแม่เสียว้งสาขนาติได้ยิ่งไปหอดใส่อายไปหอดหันเพเหตุไรเพราะเฮาท่าตัวบอดีเออเพอเผปัญจติปัญญาของเฮาอีกใจร้อนอีกอว่าเขาจะมาขามากแกงเจ้าของอีก เกิดปัญหาขึ้นมาอีกนี่แหละสิงโมนี่เข้าต้องติดคิดเข้าต้องมั่งผู้อื่นมาเป็นบทเรียนของเข้าต้องเข้าต้องศึกษาศึกษาเรื่องผู้อื่นจากนั้นมากสอนเข้าเข้าไปมอ่งลูกมั่งหลานผู้อื่นจากนั้นมาก็สามารถสอนลูกหลานของเข้านี่แหละหลวงพ่อว่าดหาว่าพวกเข้าบอกคิดว่า อ, าอ่านเฮ็ดยังก็เฮ็ดไปตามความคิด ตามอัลเอเพื่อใจตามอัทธาใจกองเจ้าของเพราะมันเมื่อย์มูแบงยามาให้กินก็กินเพราะกินเข้าไปมันติดบัดนี่มันหมดมันจังสั่นได้บาดมันบได้กิีดมันอยู่บอดได้เลยเอาไปมากขนาดระบาดหลักเล็กขโมยหน่อยบุ่กเฮ็ดก็เฮ็ดได้มัดเอาไปมากสิป้นสิจี้เขาก็ได้มัดเพราะเหตุอะไรมันบได้คีดถึงขุกถึงตะล่างเลยจนพุ่นลระบาด เขาจับเจ้าของได้ไปมัดแขนเข็ดกอซอยเฮ็ดก้มหนาสั่งงั้มอยู่บ้านเนเอ่ยข้ามันไหลดีเขาก็จะไปยิ่งเป้าทิ่มระบาดเนี่ยกันเป็นแสนเป็นแสนเม็ดสองแสนขึ้นไปล่ะบานเนี่ยไผ่สีซอยเข้าใดล่พะพอเข้าเฮ็ดเองเลยเพราะในเซิงโมนี่เขาต้องคิดชีวิตของเข้าเกิดมาทั้งที่ให้มีคุณค่าจึงที่มันบด์ดียาเฮ็ดยาคิดเล่ยว น, นไปยาคิดยาถ้ำยาพูด สิ่งมันบอดีคันว่าเห้าเห็ดไปแล้วเนะ่มันได้อยู่ได้เงินอยู่ในขณะที่เห้ากินยาบาเนี่ยขยันเน่ะเห็ดงานแต่วามันผลมันออกมาละบาเนี่อมันบกขุมคากันเลยได้เต่าเสียหมาอย่างที่หลวงพ่อเคยเบาน่ายผ้านเขาเลี้ยงหมามันเป็ักปีเขาเป็นลาเต่าลาแลนในดงนา่าปลาลาก็าหอกกระแต พ่อเขาไปเลยงูจงอางกัดหมาจ้อทั้งที่เขาก็บอกว่ามองหันงูจงอางฟักไข่เนอะอย่าไปเนอะเดี๋ยวมันงูงูจิกัดหมาได้อย่าไปใกล้แน่จะคล้องไปยังได้เต้านอนไปออยากได้เต้าได้แล่นแถวนั้นออกไปเอาไปกับผ้าหมา ก, ก็ไปงูจงอางกับกัดหมาซะหมาก็ตายบ้านนี้เฮ็ดกันไน่ ได้เต้าแต่เสียหมาไปเฮ้าเสียเอาหยังอันนี้คือกันได้ผลงานนินดๆหน่อยๆเพราะความขยันแต่ว่าเสียเจ้าของบาเนี่ยเจ้าของติดยาบ้ายามาขันช่ายยาฟินติดยาเสพติดเนะี่ยมันเสียมดทุกอย่างเลยบ่เนี่ยเออแปลว่าขาดความรับผิดชอบมดทุกอย่างเลยในชีวิตของเฮ้าแปลว่าหล่มละลายเลยเฮ้าสียเอาหยัง สิงโมูนีเขาต้องคิดเดยเออเขาต้องใช้ปัญญาเขาต้องคิดคิดให้ดีแล้วก็ว่างแผนให้ดีคานาวะเขาว่างแผนดีแล้วนะ่ะเออพึ่งตนเองละบ่เนี่ยอัตหิอั ต, ตโนนาโถตนแรกเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโลซิยาคนอื่นไข่เล่ยจะเป็นที่พึ่งเขาใดข้าเน่าบ่พึ่งเจ้าของคานาวาเน่าว่าเป็นตัวของตัวเขาพึ่งเจ้าของบ่ใด ตีแรกเขาก็เพิงพอเพิงแม่ก็พ่อเพิงได้อยู่เอาไปมากข้าวนาขนาสาหัสจริงๆพ่อแม่ก็บ่ให้เพิงขึ้นกัน่ะพ่อแม่ก็ยันติดคุกขึ้นกันอแล้วก็เพิงพีเพิ่งน่องไก่ห่างไปได้ปันห่างไปเรื่อยบไปเอาไปมากกับเพิ่งลูกเพิงเมียเออเมียก็อยู่นําบ่อดขึ้นกันเอาไปมากกับเพิงเจ้าของก็เพิงบ่อใดเป็นยังไงบ้านถูกเนะ พวกนั้นสิ่งเรานี่มันต้องเพิงเจ้าของการที่กระทาจึงใดที่มันพอถูกต้องอยาไปทํามันผิดกฎหมายบ้านเมืองนะ่ะว่าจะเจ้าของว่าจะเจ้าของเป็นผู้ฉลาดอย่เป็นผู้ฉลาดบอมีมั้ยอ่เข้าฉลาดเท่าหูจักลบผูจักหลีบมันแมนอยู่แต่ว่าเบิ้งนะเพราตาบักเปราะปันตาบักนัดเนีอยู่รอบรอบขางเข้านะี่เข้าไห้ใจผู้ยู่ไกรเออเอาไปยังหรอก กูเห็นยังสิบบบมีปลายหูหรอกนั่นแหละหูนั่นแหละที่เขาหู น, นะเ อ, อ้ยกระิไปอีกเฮ้ยบักนันเฮ็ดจังจันได้กูหูมาแล้วต่อมาบักนันเฮ็ดจังจันได้กูหูมาแล้วเอ้ความหลับมันบ่นมีในโลกเพิ่นวาความหลับมันบ่มีในโลกความหลับนี่ปกปิดประยู่พ่อให้ได้เพราะเจ้าของก็เป็นผู้หูวความหลับอันดับแรกเลยเจ้าของหูคอนหมดนปความลับ เอาไปมากกับไปเบาเป็นผู้อื่นฟังอีกผู้อื่นเขาก็ได้่งยินนั่นแหละสิ่งโมนีเขาต้องจัร่วมระวังให้ดีที่สุดสิ่งใดที่มันชวนยาถ้ำเสเลยดีกว่าเมื่อเขาท้ำไปแล้วความชวนั้นจะตามให้ผลให้เห่าเดือดร้อนเมื่อพ่ายหลังกัณฑว่าเขาท้ำลงไปแล้วเพราะนั่นยาถ้ำเสเลยดีกว่าพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้อย่างสั้นได้ ปนั่นผูกเข้าเป็นพุทธศาสนิกษตรชนนะลูกหลานทุกู์ทุกคนที่บอกให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพอบรรเดดูถูกเหยียดยามผู้ดใดทั้งหมดพูดเป็นขํากลางให้ฟังถึงเข้าเสียเอาหรือบ่อเอาก็ะชุดแทะแต่พวกเข้าที่ได้ยินในฟังกันบ่อออกก็บ่เป็นยักษก็แล้วไปกันทิ่นั่มไปประพฤติธปฏิบัติหลวงพอว่าเกิดประโยชน์แน่นอนสําหรับ ปู่ได้ยินได้ฟังนําไปปรปับปรุงแก้ไขกายว่าใจใจของเจ้าของอันนี้แหะคือการเป็นอยู่ในมนุษย์โลกในพื้นแผ่นดินอยู่ร่วมกันได้หลายคนอันนี้คือการเป็นอยู่จัดว่าเป็นหมวดศีลก็ว่าไดา้แต่อีกอย่างหนึงบัดเขาต้องคิดถึงเรื่องอนาคตอีกเด้ไม่เป็นคิดแต่ในปัจจุบันตัวนี้อันนี้แมนอยู่อคือเท่าเรียงในปัจจุบัน ทำมาหาเลี่ยงฉีบทำมาค้าขายหาเงินหาข้ทาทรัพสมบัติมาเลี่ยงขอบครั้มาเลี่ยงตัวเองมาเลี่ยงกิจการงานแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาพันสอนให้ใส่ความคิดใด้บัดพระพุทธเจ้าพันไวนใ้ให้คิดให้ดีนะถึงจะเลี่ยงดีปันไดก็ตามเสีหาเงินข้ามทรัพ ส, สมบัติล่ลําุ้ยขนาดใดก็ตามที่มั่งมิ่ีสุขปันไดก็ตามเออลุ้ลยปันไดก็ตาม ว่แม่เท่าจอยู่นี่ตลอดไปนะเห็นบอกพอแม่ปูญญาตายย่าของเข้าไปใส่หมดเข้าจียูนี่บอกเข้าสีตาย บ, าเายบา่เป็นนึกทันแมนบ่บอกอันนี้เพื้นหลักของพระพุทธศาสนาเพิ่นสอนนะน๋าสอนให้แน่วความคิดคนเข้าเนี่ยถึงจะมั่งมีสีสุขเกลี้ยงดีปันได้ก็ตามร่างกายเนี่ยกินอาหารดิบดีขนาดใดก็ตามผานุ่งห่มของเข้าสื่อราคาแพงปันได้ก็ตามมนุ่งหมงงม่ม มใส่เสื่อผ้าอยาแ ก, โก้โรคไผ่ไข่เจ็บดีปันไดก็ตามซื้อมากินมารักษาเจ้าของบ้านเฮือนของเฮ้าที่รู้ลาโออาขนาดได้ก็ตามแต่เราห้องแต่ละหับมีแต่รู้ลาโออาทั้งหมัดในบ้านเฮือนเฮ้าถึงจะให้อยู่ดีปันนันก็ะเถิกล่างกายนี่บอมี่ผู้ใดสิหนุ่มไปหนาไม่แต่แกไปหนาเออคันยูยูยู่บ้านหล่างนั้นต่อไปกันนั่น เดี๋ยวก็ผมขาวนะเดี๋ยวก็ตาฟ้าฟ้างเดี๋ยวก็หูตึงนะเดี๋ยวก็แคล้วล้นห น, ะนังเหี่ยวก่อนนะล่ะหลังคอมนะเอาไปมากกนอะเดี๋ยวก็ถึงยินขาวลนะ่ะเอ่ยย้ายนันตาดิเอ่ตายแล้วเดาะเอ่ยกำลังสวดอภิธรรมอยู่วัดนันวัดนี่เลียวกเก็บศพไปนในบ้านนะเอ่ยมิตรโดยมากไปห น, นึ่งจันวายไปยังยังตายล่ะทั้งที่บ้านเฮืร์นใหญ่ปานนั้น รุวยก็ล่วยป่านั้นตายเป็นนิวเตียยบอได้เลือกคนไปบอได้เลือกผู้ใดไแย่ามัจจุราชบีบพอบวัตถุคนเพราะเนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งจึงสอนให้ผัวเข้าตั้งอยู่ในความบอรประ ม, มาทถึงจะมั่งมีส่สีชุกยูดีมีสุขขนาดใดก็เถอะให้เตรียมใจเตรียมกายเตรียมใจไว้เอคิดไว้เถอให้คิดไว้ให้ภาวนาไว ให้ท่ำใจเอาไว้ให้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้สร้างบุญกุศลเอาไว้ให้ไหวพระสวดม น, นเอาไว้ให้เตรียมพร้อมเอาไว้อีกสักมือหนึ่งนะบอเมนมือได้ละบอเมนมือได้ก็มือนึงละเอายมาตูษเขาสีทรงที่สามะไหา้เมื่อเขาทรงที่สามาไห้กันนั่นแหละวิสัตตกมาถึงมือห่อเลยโอ้หลวงพ่ออินเอ้ถึงข้าวแล้วเด้อกับบ้านเก่าล่ะ กับต่างประเทศกลับบ้านเก่าได้แล้วนะเพราะสรง ม, มาทํามาค้าขายกันมาทํามาค้าขายน่านแล้วกลับบ้านเก่าได้หลวงพ่อได้รับวีซ่าขึ้นมาแลยก็นะเออเอา้าเข้าทํามาค้าขายต่างประเทศเนี่ยกับพ่อสมควรแล้วไปว ล, ลุ้ยแหละเฮาก็ะสอบจับสมบัติกลับไปบ้านเก่าตัวบนะี้เอเพราะเหตุใดเพราะเข้ามาทํามาค้าขายเข้าบัาาประมาดเนี ค่นว่าผู้ใดก็ตามไปพ่อไปต่างประเทศเปิดไปกินเหล่าเม้ายาสุลาหน้ารี่ผ้าซี่กิราบัดเอเตะฟุน่อตีหัวมาดาแม่เจ็กพวกขึ้นประจุ ข, ของสิตกับบานเกา่จาจักเถื่อนไปมีแต่ลืมหลงอพอไปทั้งหนั้นบาร์ทาวิซ่าก็าส่งมาเอ้นานายนันกลับบ้านเนอะถึงเวลาแล้วตายกูตายไาหนึ่งเงินบัตรติดกระเป๋าแม่แต่บาทเดียว กลับไปบ้านพี่น้องกูสิว่าจังไดเนี่กูสิอยู่จังใดกลับเมื่อบ้านบาดเลยกูบ่มีเงินระบาดเลยเอี่บ้านเงินกูก บ, บ่มีแลหละเงินซ่านบ้านซองกูก็ บ, บ่มีแหละเฮ็ดจังไดเมันมีแต่ว่าเว่างวางเล้ระบาดเงียบเงาเสาซึมเลยเออคือกันกลับค้นบดิสางคุณง่ามความดียังพอแม่คู่บ่าจานล้งปูล้งตาเนี่เพิ่นพาวนาของเพิ่นเต็มทีแล้วถึงข้าวเพิ่นจิต ละสังขารพนสิตายได้เออถึงข้าวเราบอกถึงข้าวเขาก็ไปตัวเพราเหตุใดเกิดมาตายได้ออสีหศีข้าสศยูโซฟาที่พ่อตายท่านตายจังไหนเขาพลาตายไปแห้งหรเขาก็ต้องตายขึ้นกันคับเขาเอ้าตายก็ตายเพิ่นบ่จะถกเพิ่นบ่จะทานพราเหตุได้พเพิ่นคิดไว้แล้วเ อ, อแต่ว่าผู้บกเคยคิดไว้ก่อนเลยตีบานพ่อมากคคิดว่าจะของพตายจากเทื่อ มีแต่หาเงินหาข้ามทรัพย์สมบัติงกงกังกก้นงั้นขี่โลบขี่โกรธขี่หลงแมนมัดอยู่กับเจ้าของบานหาถึงข้าวมาเนี่ยา ย, ยมบมทูดเขาทรงวิสามาให้พาอได้รับเท่านั้นแหะหนาหมอยเลยบ้านเนี่ยตายเฮ็ดจังไนเงินกับโบมีกูสิไปจังไงเอ อ, อ, อไปหายากยังไปกินขีหม้ากไ็ได้ตัวมังก็ดีเท่านั้นะ แ น, น่นั่นมากินขี้ม้ากับกินขี่มา้าใดวัั้นไปเออเขาไปกาบให้กาบขี่ม้ากับกาบใดวัั้นไปหเห็เุอะไรเพราะเขาบอกอยังเสือมัดวัดเพราะเห็เุไดเพราะเจ้าของย่านตายเลยบกคืบกเคยเคืไใ้ก่อนนั่นละเสียงโมนีที่ลงพอวาน่ให้ฟั่งฟั่งใบนะให้ฟังฟ่งฟังฟ่งใบมันเป็นจังสันบอกคนเฮาท่านเฮาหากวาวบมีรักจิตรักใจเนี่ยมันถึงข้าวจนเจียนมากเนี่ยเขาแน่นํานมันย่งเสือมัดเ ผีมงหันบ่เทพวรามงหันบ่ภู้มองหันบ่มาเฮ็ดจังสัน่นจังสี่พระแก่เคาะจะดาะน้าําจังสัน่นจังสี่เฮ็ดมัดทุกแน่วเราไปเพราะเหตุใดพ่อย่านตายแต่เฮ็ดจังแรกมันก็บกุพนตายคือนเราถึงข้าวมันแล้วเราไปแต่บางขั้นบางข้าวบ่ถึงข้าวตายเราไปายาถือจักน้อยแต่โอยแมนอิลีเพาะผีมงหันมาเฮ็ดเลยไปแก่ผีบอหันก็เลยเศร้ามากเลยวห้ไปแก่แล้วไปแก่สักเทอาเราไป เอาไปว่าเขาก็ญาติเขาหีบขึ้นกันนั่นแหะโมมีมุกุไดสิพนไปได้เพราะเห็ไหุไดเพราะเขาเกิดมาตายเพราะนั้นสิงโมนี่โมเป็นเอาความตายมาคู่กันเน้พวกเฮาอย่าไปคิดว่าความตายมาคู่กันคิดมีแต่บอกหลวงพอ่อซีให้ว่มามรณะภัยไม่ควรประมาทอีกสักวันหนึ่งมาถึงตัวเราแน่แนมาถึงตัวพวกเราแน่แน่ทุกคนเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาท สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะทําให้ยิ่งจเจริญให้ยิ่งให้เตรียมเอาไว้ให้ภาวน่าเอาไว้ภาวน่าเนี่ยสำคัญในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าคูบาอาจารย์ เ, เรื่องภาวน่าเนี่ยนะเป็นมหากุโสอันยิ่งใหญ่ที่จะทําใจของเข้าไปตกทุกไดอยากใจของเข้าเนี่ยจะพาไปนรกใจของเข้านี่ไปสวรรค์ใจของเข้าไปนิพพานแล้วเข้าสิเหตุอย่างใด นี่แหละบ้านเนี้เปิ้ลเห้เบิ่งใจเลยทีเฮ็ดจังไหนที่เบิ่งใจเจ้าของไดเพราะใจเจ้าของเนี่ยเบิง่งเบิ่งเลยเป็นนามมา้ำมะท่ำเลยมันโมเป็นลูกมันโมมองเห็นมองบมเห็นด้วยตาเหนื่อแต่เป็นนาำมะมท่ำมันมองบมเห็นเฮ็ดจังไหนพระพุทธเจ้าพูดว่าให้นั่งสมาธินะนั่งคือพระพุทธลูกนักนง่งไซกับนั่งนั่งเก้าอี้ ก, ก็ได้นั่งหมองใด้สงบมองที่สงบสงัดพ่อนั่งเลยก็ ขาขวาทับขาซ้ า, ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงแล้วเอาสติสติสัมปชัญญะให้น้อมสติให้ไม่อยู่ที่ปลายจมูกอยู่หม่หู้หู้ดังของเฮ้าลงไปเออหม่งดังของเฮ้ามันหายใจออกมันผ่านหูดังให้จููปมปมกไหดังของเฮ้านะให้บริกรรมพุทธให้เวลามันเข่าไป เวลามันออกมาให้โทษพุทโทษให้มีสติสัมปชัญญะในเมื่อเขามีสติอยู่หันแล้ววันนี้ใจของเขาบอกคิดถึงอดีตเนีอดีตคืออย่างบอได้คิดถึงเหมือวาดเมือก่อนทัามาข่าขายลูกล้านดาห้าองทะเลวีวาดกับเพ่าเขาบอกคิดถึงมันอนาคตมันจะเป็นยังไงเขาก็บอคิดถึงมันอีกเมืออืน่นมือฮือกทเป็นยังไงจีกินยังไสจียู่ยังไงจีราสีรว่ยยังไงเราต้องคิดในขณะที่พนังพ่อวันานัน พห้องสี่พ่อวนาเนี่ยจะไปคิดมันนท้ายังมันคิดมาพ่อแห้งมันร่วงมันก็ร่วงพ่อแห้งมันจนก็นก็จนพ่แห้งแต่มหาคิดม่หยีในขณะที่นั่งพาอวนายี่สิบสามสิบในที่ชั่วโมงหนึ่งมันพ่อพ่อจิเป็นอย่างงอนเอ้าบังคับให้มันอยู่กับหู้ดังจอกของนะจากนั้นก็พุทโทพุทโทพุทโทษจิตของเฮาก็เขาสู่ความสงบจนถึงตอนไหนจิตนิ่งเป็นหนึ่ง นั่นแหะเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วเท่าจะเห็นคุณค่าการเป็นอยู่จิตใจของเท่าก็เริ่มมีดลักขึ้นมาแล้วป่านเลโอ้ร่างกายนีย่ตายดีเนาะใจเนี่มันบม่ตายได้เน่ตัวพูดรูๆอย่างเน่เทาสีหูด้วยตนเองธรรมะเป็นปัจจักต่างเลยพวกพุทธเจ้าเป็นสอนเดี่ยวสั่นพนั้นขอให้หยาดย่อมพวกเท่าถูกขู่ถกคนน้าที่ลงพอบ่อให้ฟัง่การดำลงฉีบก็ให้ดำลงแต่อย่าต่างอยู่ในความประมาทอย่าเหตุความซัว สิงที่มันชัวร์ยาเห็ดแล้ว ใ, ให้คิดว่างแผนอนาคตของเจ้าของ อ, อีกอีกสักมือหนึ่งอ่ะพี่าต้องมาถึงเข้าเลยเข้าจะต้องรับพี่าดำมืดเข้าได้รับพี่ซาเขามีเงินในกระเป๋าบอยจีเดินทางกลับบานของเขานะอ้าถามวา่าเขาบอมีเงินนะพี่น่องลูกหลานของเขาดูถูกเข้าได้เลยนะก้าวออกไปพวกตำรวจบอมีเงินไปตกนรก ไปเป็นชัตที่ไรฉานไปเป็นเปลตอ่ามันบอดีเลยการทั้งว่ า, าพวกเขามีเั้นกระเป๋าตุ่นะไปเกิดสวรรค์ผู้มาลุกค้าเที่ยวดาอากาศธาตุเที่ยวดาสวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พร่อมไปสู่อริยะเออเป็นพระอริยะบุคคลปัตสดาพระสกทาข้ า, พ ร, า, าพระอานาค้าพระอรหรัน นี่แหละทวาเข้ามีทุนมันจะสูงไปทางนั้นคานาวาเข้าผมมีทุนไปทางต่าเลยคือกันกับคนเข้านั่นะไปยุ่งเบืองนอกไปก็ทากํามาค้าขายขี่เกียจขี่ข้านไม่ถ้ไปกินเหล่าตบให้โล่เอาไปมาผมมีเงินกลับมาบ้าน อ, อให้หนา้าบ้านเลื่อนก็ขายไปมดเห็ดจังไหนกอซอปุ่นกอซอพี่ไปอพึ่งผ้าอาศัยพี่น้องเข้าจให้พึ่งผ้าอาศัยใดจังใด พ่อยในตัวเองบ่ช่วยตนเองตัวเองบ่ทําเอาเองฮ้เสี่ยงโมนี่ให้พวกเห่าลูกหลานทุกคนนะคิดคิดคิดคิ ด, คดว่างแผนสั่งคุณงามความดีกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนะั่นเมื่อทําลงไปแล้วมั่นที่เดือดร้อนกรรมชั่วนะั่นจะให้ผลติดตามเห่าเมื่อพ่ายหลังเมื่อขึ้นกันก็เห่าไปขาขู่คาค้นถึงท่านนะั่นนี่ ทำในขณะที่ขาคนเหมือนก็ใจช้าแล้วลันปืนเปียงมีดแท่งคอนทุกหัวเขาเออกระซาใจนะแต่อีกซักมือหนึ่งตำรวจไล่จับมานึ่แลนหัวสุกแลนหัวสุนออบาตห้าเขาจับม า, ลาเลยให้กอซ อ, อยู่บ้าเนเอยจับเขาคุกมาสักปีบ่าเนเลยเมื่อไปเห็ุความชั่วนิดหน่อยเดียวนึงแต่บาตห้ามันติคุกสักปี ชีวิตทั้ทงชีวิตหาความสุขบ่ใดเลยเนี่ยแหะกรรมชั่วมันให้ผลยืดยาวได้ป่านเลยเมื่อตัวเองทําบริคิดได้อ่านอะไรพวกลูกหลานพวกเอาทุกู่ทุกคนนะก่อนที่ทำไปอย่างลงไปต้องคิดให้ดีซะก่อนยังคอยทําคิดผลมันจะตามมาก อ, อันคิดได้ยังท่นหลวงพ่อว่าเนียความชั่วหนึ่งพวกเอ้าคงจะทําบ่ลงละ่ะอันนี้โดยมาก ม, มันบริคิดถึงขนาดนั้นเลยที มันก็เลยทํำได้เมื่อทํำไปแล้วขนั้นแหละกรรมชั่วนะมันก็ต้องติดตามให้ผลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเรอวันนี้หลวงพ่อได้แจ้งบอกเป็นภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองให้พวกเข้าได้ฟังได้ศึกษาตอนนี้ไปรับพร น, น, น, น่าจะนีหน้าอนุโมทนาให้พร